สรุปความว่าโซลดปัญหาคือ16ปัญหาของมานพบห6คนรวมเป็นคำถามทั้งสิ้น35ข้อพระบรมศาสดาตรัสตอบทุกข้อส่งพยากรณ์ถึงข้อธรรมที่สำคัญดังนี้ธรรมะป่ายอากุศลได้แก่ตันหาคือกาม13าครั้งอุปาทานและภพอย่างละสี่อวิชชาสองทิฏฐิและศีลพรต กับพิธีเป็นอันมากอย่างละหนึ่งธรรมะฝ่ายกุศลได้แก่สติสิบสามครั้งปัญญาสองอุเบกขาหนึ่งสันโดษหนึ่งธรรมะฝ่ายเป็นกลางได้แก่ไตรลักษ์ซึ่งเป็นสะพานทอดสู่นิพพานมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมสามครั้งขันหรือกองนามรูปสามครั้งขอวิเคราะห์ธรรมเพื่อการปฏิบัติดังนี้ การปฏิบัติธรรมเปรียบได้กับการทำสงครามชีวิตสงครามที่รบกับกิเลสในตัวเองมีฝ่ายข้าศึกได้แก่ตันหาเป็นแม่ทัพใหญ่อุปาทานภพอวิชชาและทิฏฐิเป็นทัพหนุนเพราะตัวเหตุที่ตันหาเป็นสมุทัยในอริยสัจ ส, สีตัวตันหาอาศัยอยู่ในขบวนการของปฏิจจสมุปบาท2หรือปัจจัการสอง ซึ่งเป็นธรรมะที่อาศัยกันเกิด12ข้อสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยต่อสิ่งหนึ่งให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งเรียงลำดับดังนี้ตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัวตัณหาเกิดมาจากผัสสะและเวทนา และตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานภพชาติอวิชชาเป็นต้นในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้ย่อมดับวิญญาณนามรูปสลายตนะเหล่านี้ไม่ได้แม้ตัวผัสสะเองก็ตามก็ดับผัสสะห้ามผัสสะไม่ให้กระทบไม่ให้เกิดดับนั้นห้ามไม่ได้เวทนาตัณหาจึงเกิดที่ตรงนี้ จิตเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยว่างจากอารมณ์รู้อารมณ์แล้วยอมต้องคิดจะห้ามจิตไม่ให้คิดไม่ได้ไม่เคยมีเวลาไหนเลยที่สาตว์ว่างจากการเสวยวิบากกรรมไม่ทางตาก็ทางหูเป็นต้นก็ต้องทวารใดทวานหนึ่งจึงให้คุมผัสสะการกระทบด้วยสติทุกขณะจิตที่กระทบทางทวารทั้งหทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ หรือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายการปฏิบัติธรรมคือการรบ ก, กับตัญหาโดยมีสติและปัญญาเป็นแม่ทัพธรรมและมีหนทางคือมัคทางเดียวเท่านั้นคือเอกยนมัคที่จะเอาชนะได้คือใช้สติปัฐานสี่เป็นวิทยายุทธเครื่องมือรบทรงตรัสว่าพึงให้มีสติ เพราะเหตุว่าสติเป็นเครื่องกัน้นเครื่องห้ามเครื่องข้ามตันหาทั้งหลายย่อมละอารมณ์ละกามละอุปาทานพบชาติได้ทุกควรรู้สมุทัยคือตันหาควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรคควรเจริญให้เกิดปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะละตันหายังไร นี่คือโจทย์ที่ต้องแก้ขั้นต้นนี้ให้พึงเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าสติปัญญาอุเบกขาสันโดษวิชาละตันหาละอุปาทานการบรรลุธรรมคำเหล่านี้มีความหมายทํานองเดียวกันส่วนไตรลักษณ์เป็นสะพานเดินข้ามไปสู่การบรรลุธรรม วิเคราะห์ที่ปัจจัยการสิบสองอันว่าอาวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเป็นดุดกงกรรมคือเป็นล้อของสังสารวักจ์เป็นวัตตะวงจอดอุบาทอันแข็งแกร่งของข้าศึกศัตรูตัวอวิชชาเปรียบเหมือนคนหลงติดอยู่ในสังสารวัฏดุดถ้ำอันมืดหาทางออกไม่พบทำให้ไม่รู้สัจจคความจริงของโลกสีเรื่อง ไม่รู้ว่าตัณหาเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์เกิดอุปาทานเข้าไปยึดขันอัตตาตัวตนของกูสิ่งที่เนื่องด้วยกูเหนียวแน่นพากิเลสไปสร้างกรรมวิบากเกิดตายเป็นวัตตะสามไม่รู้จักจบจักสิน้นจึงพึงต้องหาทางโจมตีเจาะทะลวงทําลายซะพึงรู้ว่า ตันหาเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากผัสสะจึงให้พึงโจมตีฆาศึกโดยเจาะทำลายที่เป้าหมายคือผัสสะเวทนาตันหาดับตันหาสมุ ท, ทยัยด้วยปัญญาในอริยมรรคจึงจะถึงนิโรธการดับชักชักกระสูรธรรมะว่าด้วยหมวดหกคุมผัสสะได้ คุมโลกได้คือทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสนี้ห้ามิมให้กระทบห้ามไม่ได้เพราะนี้เป็นกรรมเก่าคือร่างกายนี้เกิดแต่กรรมในอดีตแต่พึงควบคุมการกระทบให้จงดีด้วยอินทรียสังวรสลายตระนวิพังคสูตรธรรมะว่าด้วยการจำแนกอายตนะ ดับเวทนาได้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มีจะดับตัณหาพึงดับเวทนาจะดับเวทนาพึงคุมผัสสะที่สลายตนะคืออยัยตนะภายในได้แก่ช่องทางรับรู้อารมณ์หรือช่องทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจควรทำความเข้าใจอยัยตนะภายนอก หรืออารมณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบหกอย่างได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายเรื่องราวคิดนึกทางใจหรืออารมณ์ทางใจครั้งพุทธกาลพระมหาปชาบดีเถรีได้พาภิกษุณีห0 0รอรูปไปเป้าพระพุทธเจ้าและพนักอยู่ที่ราชกาลรามที่พระเจ้าเปเสนท่สร้างถวายได้ฟังพระนันทกะเทระ แสดงธรรมเรื่องอายตนะภายในและภายนอกบรรลุโสดาบันวันที่สองได้ฟังอีกบรรลุอรหัตผลวิญญาณที่เข้าไปรับรู้อารมณ์หกได้แก่วิญญาณเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สึกสัมผัสกายมโนวิญญาณธาตุที่รับรู้เรื่องราวคิดนึกทางใจ ครั้นวิญญาณรับรู้สึกแล้วด้วยภาษาหารจึงเกิดมโนสันเจตนาหารคือความจงใจเจตนาจะกระทากรรมอันเป็นปัจจัยแห่งการคิดพูดทำทางกายวาจาใจเป็นอาหารส่งต่อให้เกิดวิญญาณอาหารต่อไปนามอาหารทั้งสามเหล่านี้ย่อมหล่อเลี้ยงให้เกิดเป็นปัจจัยแห่งการนำเอาอุปธิกิเลศกรรมวิบากไปถือปฏิสนธิ ให้เกิดอีกในพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพราะมีตัวกระทบคือภสษะเป็นัสษาหานหล่อเลี้ยงให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นต้นตัดภาษาหาาหล่อเลี้ยงซะเวทนาก็ดับดับเวทนาได้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มีจากชัชักกระสูตร อารมณ์อันเป็นสภาวะที่น่ารักคือปิยรูปที่น่าชื่นใจคือสาตรูปอันเป็นอิทธารมณ์อันน่ารักน่าชื่นใจนี้เป็นที่เกิดแห่งกิเลสและที่จะดับกิเลสจึงให้พึงดับที่สภาวะปิยรูปสาตรูปนี้ชดินสามพี่น้องผู้ปฏิบัติบูบชาไฟพร้อมด้วยบริวาลหนึ่งพันคนเมื่อได้ฟังว่า อายตนะวิญญาณผัสสะเวทนาตัณหาความกำหนัดเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะฟังแล้วเข้าใจจึงดับร้อนแล้วจึงได้บรรลุธรรมเรื่องจากอธิตตปริยายสูตรส่วนพระราหุลครั้นได้ฟังพุทโธวาท วิปัสสนายกะอายตนะภายในและภายนอกขึ้นแสดงแทนขันห้าก็บรรลุอรหัตผลทรงสอนพระนาล ก, กะบุตรของน้องสาวอาศิตดาบทว่าพึงทำกิจให้เสมอในสัตว์และบุคคลปฏิบัติโมนยะของมุนีผู้สงบห้าอย่างไม่พึงติดบุคคลสถานที่มักน้อยในการเห็น การฟังและการถามไม่นานก็บรรลุธรรมสมุทัยสัจจานิเทศพระไตรปิฎกเล่มที่สิบที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดักไปแห่งตันหาอยู่ที่ปียรูปคือสิ่งที่น่ารักและสาธรูปสิ่งที่น่าชื่นใจสภาวะที่น่ารักน่าชื่นใจ คือปิยรูปและสาธรูปนี้น่ากำนัดยินดีพอใจก็คือสลายตนะวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาตัญหาวิตกวิจารเป็นต้นสลายตนะวิญญาณผัสสะเวทนานี้เป็นกรรมเก่าปล่อยต่อของกรรมใหม่เอาไปเกิดคือสัญญาเจตนาตัญหาวิตกวิจาร นี้เป็นกระบวนการทางธรรมเชื่อมโยงกันของปิยรูปสาตรูปตั้งอยู่อย่างนี้เมื่อจะละต้องละที่นี่เมื่อจะดับต้องดับที่นี่ถ้าว่าเมื่อยอมรับกรรมเก่าไม่โตแย้งปรุงแต่งปฏิเสธวิตกวิจารคือคุมผัสสะได้เวทนาก็ดับตั้หาอันเป็นกรรมใหม่ไม่มีพบชาติชราไม่มี กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวยอมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเมื่อได้มีสัมมาสติสมบูรณ์อยู่ปิริโอต ป, ปะอินสียะสังวร อ, อธิศีลอธิจิตอธิปัญญานิพิทายานวิมุตติยาธัสนะย่อมมีเหตุสมบูรณ์ข้อความจากสติสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่ย3สาม มหาสติปฐานสูตรย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนืองเนืองอยู่มีความเพียรเผาให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปัชัญญะมีสติพึงทำอภิชาโทมนัตในโลกคือทวารทั้งหกจะให้พินาศพระมหากัจจยนะเทระมีปัญญาเลิศ ได้อธิบายขยายความย่อให้พิศดานว่าท่านผู้มีอายุเรารู้ความแห่งธรรมะที่ทรงแสดงแล้วโดยย่อนั้นว่าเมื่อบุคคลคิดว่าในการล่วงแล้วตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งถูกต้องสัมผัสกายใจกับอารมณ์ที่เกิดกับใจมีแล้วอย่างนี้ ความกำหนัดพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็ผูกวิญญาณเพราะวิญญาณอันความกำหนัดพอใจผูกแล้วผู้นั้นก็เพลดิดเพลินในสิ่งนั้นๆผู้ที่เพลดิดเพลินในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าได้ตามคิดถึงเรื่องที่ล่วงไปแล้วส่วนผู้ตั้งจิตไว้เพื่อหมายจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในการข้างหน้า อากับรูปเป็นต้นของเราจะเป็นอย่างนี้ผู้นั้นก็เพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่ามุ่งหมายสิ่งที่ยังมาไม่ถึงบุคคลผู้ไม่ตั้งจิตเพื่อหมายจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้แล้วอย่างนั้นก็ไม่เพลิดเพลินสิ่งนั้นๆผู้ไม่เพลิดเพลินสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าไม่มุ่งหมายสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้ว กับรูปอย่างละสองอย่างละสองอันใดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าถ้าว่าความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นๆผูกวิญญาณได้แล้วบุคคลก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้นๆผู้เพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่างอนแงนคลอนแคลนในธรรมะที่เกิดเฉพาะหน้าถ้าความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นๆ ไม่ผูกวิญญาณได้บุคคลก็ไม่เพลิดเพลินสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าไม่ง่อนแงนคลอนแคลในธรรมะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านผู้มีอายุเราเข้าใจเนื้อความที่ทรงแสดงแล้วโดยยอด่อตามความพิสดารอย่างนี้พระบรมศาสดาทรงตรัสรับรองและสรรเสริญพระมหากัจจยนะ ว่าเป็นคนมีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเป็นเอตทัทคะทางด้านอธิบายขยายความโดยย่อให้พิสดานนั้นทรงตรัสอุปมาว่าอันบุคคลผู้เห็นเถาวกขมเกิดในนาพึ่งสแสวงหารากโดยหาไปตั้งแต่ยอดจนเจอรากแล้วก็ตัดเสียบขมนั้นก็แห้งเหี่ยวถึงความไม่มีบัญญัติคือสมมุติ แต่นั้นเถาบวกขมในนานั้นพึงกล่าวว่าได้อันตรทานไปแล้วถูกทำลายไปแล้วชันใดก็ตัณหาในธรรมะทั้งหลายมีตาหูเป็นต้นมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นก็ชันนั้นเหมือนกันดุดเทาบวกขมในนาถูกอริยมรรตัดรากแล้วตัณหาก็ถึงความเป็นไปไม่ได้ ย่อมไม่ปรากฏวัตถุที่ตั้งเหล่านั้นเป็นวิมุตตดุจเท้าบวกขมในนาไม่ปรากฏฉะนั้นอรหันตสูตรเมื่อใดรู้ชัดซึ่งความเกิดดับแห่งเวทนิทรี์ทั้งห้าคือเวทนาห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากตันหา เพราะไม่ถือมั่นอุปาทานเมื่อนั้นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบรมจรรันทร์หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบดับเวทนาได้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มีจุละตันหาสังคยสูตรด้วยเหตุเพียงเท่าไรหร่นอ จึงชื่อว่าพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาเมื่อเธอเสวยเวทนาใดๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุกกายสุกใจทุกกายทุกใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้พิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นด้วยความคลายกำหนัดเห็นความดับไปเห็นความปล่อยวางในเวทนาเหล่านั้นไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกคือทวานหกมีตาหูเป็นต้น เมื่อไม่ถือมัน่นก็ไม่สะดุ้งดิ้นรนเมื่อไม่สะดุ้งดิ้นรนก็ดับเย็นเป็นนิพพานอนุปาทานโนปารินิพายติความไม่ถือมัน่นย่อมน้อมนิพพานพึงพิจารณาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาเกิดที่กายก็มี เวทนาเกิดที่จิตก็มีให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจบงการบัญชาของใครเลยเวทนากับกายและจิตนี้อยู่ด้วยกันอย่าดูแต่จิตอย่างเดียวเห็นกายเวทนาจิตก็เห็นธรรมานุปัสสนาสุญญาสูตรอานนท โลกว่างเปล่าดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนาะอะไรเล่าว่างเปล่าว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนจากสุรูปจากขุวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือของของตนสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกข์ขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ว่างเปล่าจากตนหรือของของตน รมโนสัมผัสก็ว่างเปล่าจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่าพระอานนทเทระบรลุธรรมก็เพราะเหตุที่เข้าถึงความว่างว่าจะพักผ่อนขณะที่เดินมาหยุดยืนจะย่อตัวลงนั่งและเอ็นกายลงนอนนั่นเองขอนำเอาคำถามของโมค ข, มขราชมานบมาทบทวนดูอีกที จักพิจารณาแลเห็นโลกอย่างไรมัจจุราช จ, จึงจะไม่แลเห็นทรงตรัสว่าจงเป็นคนมีสติพิจารณาเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่าจงถอนความตามเห็นว่าตัวของเราเสียทุกเมื่อเถิดจะข้ามล่วงมัจจุราชเสได้ด้วยอุบายอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แลมัจจุราชไม่แลเห็น ท่านคงพอจะมองเห็นลู้ทางเอาชนะฆ่าศึกคือกิเลสตัณหาได้แล้วใช่ไหมเป้าหมายของการรบคือฆ่าตัณหาแม่ทัพกิเลสอันเป็นสมุทัยตัวเดียวจะฆ่าตัวตัณหาต้องจับตัวผัสสะให้ได้เสียก่อนเหตุเกิดผลเกิดเหตุ ด, ดับผลดับดับยากคือตัณหาได้ไปนิพพานแต่การจะดับตัณหา มีขบวนการซับซ้อนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องมากมายดุดกงกรรมแห่งสังสารวัจจ์ที่แข็งแกร่งของข้าศึกมารทั้งหลายเขามีการมาราคามาล่อใจจึงให้สังวรสำรวมระวังอินทรีย์ทั้งหลายอย่าได้หลงกลศึกเป็นอันขาดถ้าหลงอารมณ์ตกเป็นาธาตุของตัณหาเมื่อไรอย่าหมายว่าจะมีอิสระจะถูกกิเลสมันใช้อย่างหัวปักหัวปัมมีให้เห็นอยู่รอบๆอบข้างนี่แหละ อย่าหลงเหยื่อเชื่ออยากจะยากจิตอย่าหลงติดรถเหยื่อเชื่อตันหาอย่าหลงนอนหลงกินสิ้นเวลาอย่าหลงว่าชีวิตเจ้าจะยาวนานปัจชิมวาจาพระวาจาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานทรงสั่งว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพึงหมั่นฝึกฝนกลศึกให้ชำนิชำนาญรู้เท่าทันค่าศึกคือกิเลสทุกขณะที่หลับตาและลืมตาให้มีสติอยู่ด้วยความไม่ประมาทหมั่นสร้างพละและอินทรีย์ทั้งหลายคืออินทรีย์22ในวิปัสสนาภูมิให้มีพลังและเป็นใหญ่ให้จงได้โอกาสชนะค่าศึก มีให้ลายเห็นอยู่ในช่วงอปราการหลังพุทธปรินิพพาลล่งแล้วท่านผู้รู้กล่าวกันว่าล่วงหนึ่งพันปีแรกผู้อุคติตันยูซึ่งเป็นบัวพ้นน้ำฝังเพียงอุเทศหัวข้อธรรมและบรรลุธรรมหมดไปล่วงพันปีที่สองชนผู้วิปัจจิตันยูบัวปริ่มน้ำ ฟังหัวข้อทำและคําอธิบายแล้วบรรลุธรรมหมดไปช่วงพันปีที่สาชนผู้เป็นเนยยาบุคคลบวัวเสมอน้ําฟังหัวข้อตามและคําอธิบายพร้อมทั้งขยายความพิสดารแล้วบรรลุธรรมจะหมดไปขณะปัจจุบั น, นากานี้ได้ผ่านกฤษฎายุกไตรดายุกมาถึงทวารบริยุก ค, คนไม่ดีสามส่วนคนดีหนึ่งส่วน เป็นช่วงหลังกึ่งพุทธกาลทรงตรัสทำนายพุทธพยากรณ์ประการไว้ซึ่งได้อุบัติขึ้นในโลกครบทุกข้อแล้วเมื่อศาสนาพุทธผ่านไป3 0 0พันปีคนดีจะหมดไปจะหาเหนยยาบุคคลที่ฟังทำแล้วพอจะเข้าใจไม่ได้อีกแล้วจะเหลือก็แต่บุคคลปะทะปารมะผู้เบาปัญญาต้องอาศัยบทธรรมอธิบายเป็นบรมอย่างยิ่ง กล่าวคือจะสอนให้รู้อัตรู้ธรรมได้ยากและจะหาผู้กล่าวธรรมสอนธรรมที่เป็นพระสัตธรรมแท้ได้โดยยากที่เป็นเครื่องชี้บอกเหตุได้ชัดเจนประการหนึ่งก็คือพระองค์ทรงกาหนดให้มีวันประชุมฟังธรรมหรือที่เรียกว่าวันธรรมมสวนะหรือวันพระบัด น, นี้พุทธบริษัทหลงลืมวันพระกันแล้ว ศา ส, สนาจะตั้งและอยู่นานก็เพราะมีวันประชุมฟังธรรมเมื่อไม่มีการฟังธรรมสุตตะมยปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้พระสัตธรรมอันเป็นปริยัตปฏิบัติปฏิเวทจะค่อยๆเหเลือนหายไปจะมีแต่สัตธมปฏิรูปคือเทียมของแท้และเดรัจฉานวิชาที่กวางต่อพระนิพพานพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าก็วิปริต ประพฤติผิดอเนสนากระทำมิจฉาอาชีวะปลุกเสกเป่าคถาอาคมเอาพระธรรมมาขายกินดังในพุทธพยากรณ์ว่าฝันว่าเห็นแก่นจันแดงราคาแพงเลิดล้ำในตำใต้ชายเขาเอาพอแรงไม่แจ้งใจเอาไปแลกนมโคเสียง่ายได้ทรงพระพุทธธรรมนายพิปรายโปรดภายหน้าโสดหมู่สงสิ้นทั้งหลาย จะแนะนำพระธรรมอันเพลิดพรายเที่ยวเร่ขายแลกทรัพย์มาซื้อกินจะเกิดเดือดร้อนลำบากทุกยากเข็นใจเพราะภัยนานาจะเข็นฆ่ากันละกันเหมือนผักปลาด้วยไฟราคะโทสะโมหะจะเกิดกะลียุคมิขสัญญีเห็นกันละกันว่าเป็นเนื้อคือเห็นเป็นสัตว์แล้วฆ่ากินเป็นอาหารด้วยความอดอยากหิวโหวย ดูเนื้อความโดยละเอียดได้จากอักขัญยสูตรจักวัติสูตรพระศาสนาจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าหากไม่มีการนำเอาไปปฏิบัติและความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่สำเร็จประโยชน์อันใดเลยถ้าหากไม่มีสาวกอนุพุทธบุคคลเป็นพยานยืนยันด้วยการตรัสรู้ตาม ดังนั้นจึงไม่ควรประมาทชีวิตควรทำความเข้าใจสลดปัญหากับปัจจยาการสองนี้ให้ชัดนำไปศึกษาให้เกิดเป็นสุตตมยปัญญาพิจารณาใครครวนให้เป็นจินตามยปัญญาและเจริญขึ้นด้วยการปฏิบัติให้เป็นภาวนามยปัญญาย่อมเอาตัวรอดได้อย่ามาเกิดในกาลยุค ข, ข้างหน้านี้อีกเลยมันทุก์ สัญญาจำได้หมายรู้เกิดขึ้นก่อนปัญญาเกิดตามมาทีหลังจากโปตปาทสูตรวิปัสนาภาวานานี้เป็นปัญญาเอาปัญญาจับตัวผัสสะฆ่ากิเลสตัวตันหาจึงให้อ่านทบทวนมันฝึกมันจำให้ขึ้นใจให้ถึงกระดูกการภาวานานั้นไม่ใช่เอาแต่นั่งหลับตาเพียงอย่างเดียว แต่ให้กระทำได้ทุกอิริยาบถ ท, ที่ยืนเดินนั่งนอนการนั่งหลับตานั้นก็ดีอยู่แต่ยังดีไม่พอให้เอาอารมณ์ที่ทรงไว้ในขณะที่นั่งหลับตานั่นแหละมาทรงไว้ในขณะที่ลืมตาจะดีกว่ากายไหวใจรู้ระลึกดูทั้งรู้ทั้งไหวเก้าอีด้ดนตรีใจใครกำลังครอง เธอตั้งกายอยู่อย่างไรให้รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเธอนั่งอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้กำลังนั่งเป็นต้นลืมตาแต่อย่าลืมตัวพึงอย่าลืมตัวแม้ว่าคนทั้งโลกจะลืมเราโยปติจจะสมุปปาทางปัสติโสธรรมปัสติผู้ใดเห็นปติจจะสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม โยธรรมังปัสสติโสปติจตสมุ ป, ป้าทางปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจตสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตขอจงเป็นผู้ลายเห็นธรรมปฏิจตสมุปบาทในโสลดปัญหาถึงปัจจาัการสบสองดังกล่าวข้างต้นนี้ด้วยการทุกท่านเถินจเจริญพรลงชื่อ สุวัฒโนภิกขุ